เจ้าฟ้าอุปถรรมครั้นเห็นว่างราชกิจควรเข้าเฝ้าถวายพระราชกุศลจึงหารือด้วยพระโหราธิปดีพระวิเชียนเสเมียนตราดวงทั้งหมดเห็นดีด้วยจึงพร้อมกันเข้าเฝ้าถวายณพระราชวังเดิมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเสด็จออกทรงรับพระราชกุศลถวายองค์เป็นอุปถาต แต่นั้นมาท่านก็รุ่งเรืองปีขานอัถศกพุทธศกรา2349พระภิกษุโตมีอายุ30ปีมีพรรษา10 30. อันเป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสราสุนทรได้รับพระราชทานพระบวรราชอิสระสักสูงขึ้นเมื่อเสร็จอุปราชาพิเศษแล้วท่านได้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล จึงได้ทรงโปรดพระราชทานเรือพระที่นั่งกระดาเป็นเรือสีถวายแก่พระภิกษุโตโปรดรับสั่งว่าเอาไว้สําหรับไปเทศโปรดญาติโยมทั้งยังทรงตั้งให้เป็นมหาโตด้วยแต่นั้นมาทุกคนจึงเรียกท่านมหาโตทั่วทั้งแผ่นดินหากมีราชกิจกุศลในวางหน้าหรือการงานเล็กน้อยแล้วพระมหาโตเป็นต้องถูกราชการด้วยองค์หนึ่ง สองปีต่อมาสมเด็จพระสังฆราชมีชราภาพถึงมรณะล่วงไปแล้วยังหามีสมเด็จพระสังฆราชครองวัดนิพพานารามไม่ปีมะเสงเอกศกพุทธศักราช2352รงกรมพระราชวังบวรเสด็จขึ้นเถลิงราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่สองจึงทรงพระมหากรุณาโปรดยกพระปัญญาวิสารเทระพระชิ น, นวร ว่าสมอรายขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงพระราชทานนามวัดนิพานารามเสียใหม่ว่าวัดมหาธาตุสมเด็จพระสังฆราชได้ลงมาประทับอยู่ที่วัดมหาธาตุด้วยพระมหาโตจึงร่วมอุโบสถสังฆกรรมกับสมเด็จพระสังฆราชถึงสองพระองค์คือสมเด็จพระสังฆราชมีและสมเด็จพระสังฆราชนาคจึงได้ให้ช่างเขียนเป็นรูปพระสังฆราชไว้สองพระองค์ ในศกนี้พระมหาโตมีพรรษาส2องในแผ่นดินพระพุทธเลิศล้านภาลัยราชการที่สองกรุงเทพพระมหาโตทำสง่าโอโทงภาคภูมิมากเทศนาวาจากล้าหารองอาจเพราะเชี่ยวชาญรอบรู้พระไตปิโดกแตกฉานทั้งยังเป็นพระของพระเจ้าแผ่นดินอันพระองค์ทรงเป็นอุปทากอีกด้วยอดีเรกราบก็มีทวีคูณมากมายลูกเศรษฐลูกหามากมาย ชื่อเสียงโ ด, ด่งดังกึกก้องตลอดกรุงปีฉลูนกพระศกพุทธศักราชสองพสรทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระตำหนักใหม่ในวัดมห า, าธาตุเพราะทุนกระหม่อมฟ้าองค์ใหญ่จะทรงพระผนวดเป็นสามเณรรั้นทรงพระผนวดแล้วก็เสด็จมาประทับอยู่พระมหาโตก็ได้เข้าเป็นพระพี่เลี้ยง และได้เป็นครูสอนอักราคอมตลอดจนถึงคำพีมูลกัดใจเมื่อสมเด็จพระสังฆราชมีกิจพระมหาโตก็ได้อธิบายขยายความแทนเป็นเหตุให้ทรงสนิทคุ้นเคยกันแต่นั้นมาหมายเหตุทุนกระหม่อมฟ้าองค์ใหญ่ในที่นี้ต่อมาก็คือรัชกาลที่สี่นะครับ รันทุนกระมอมเนนทรงลาสิกขานิวัดกลับพระราชวังแล้วก็ทรงทาสักการะแก่พระมหาโตยิ่งขึ้นพระมหาโตเล็กกว้างขวางยิ่งใหญ่รู้จักคุณท้าวคุณนางฝ่ายในทั้งเจ้านายฝ่ายนอกมากมายบ้านคุณนางก็แยะเมื่อมีงานต้องนิมนต์พระมหาโตมิได้ขาดพุทธศักราชสองพปีวอกชฉษวันพุธ เดือนแปดขึ้นสองค่ำทุนกระหม่อมองใหญ่ทรงผนวดเป็นพระภิกษุสเสด็จขึ้นไปประทับวัดสมอรายซึ่งภายหลังคือวัดราชาที่วาดภายหลังสเสด็จ ก, กลับมาประทับในตำหนักเดิมวัดมห า, าธาตุมหาโตก็ได้เป็นผู้บอกธรรมวิไนและพระปริยติธรรมอีกเป็นเหตุให้ทรงคุ้นเคยกันมากขึ้นเพราะมีอธัธยาศัยตรงกัน ในปีนี้สมเด็จพระพุทธเลิศล่านาาลัยสเสด็จสวรรคตวันพฤหัสบดีเดือนสองรมสอดค่ำปีวอกจะศกพุทธศักราช2367เสด็จขึ้นเถลิงราชได้14ปีสิบเดือนสิริพระชนมายุได้ห6หพระพรรษาปีนี้พระมหาโตอายุได้49ปีและบวชมาแล้ว28พรรษา ทุนกระหม่อมได้21พระพรรษาคืออายุ21สเอดปีพระนางกล้าวเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเถลิงราชเปลี่ยนเป็นราชการที่สามในปีนั้นวันนั้นพุทธศักราช2369ปีจออัตศกสมเด็จพระนางกล้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวให้นิมนต์ทุนกระหม่อมพระองค์ใหญ่ ให้ส่งแปลพระปริยติธรรมสามวันก็ส่งแปลให้หมดและให้พระมหาโตแปลแก้วรำคาญหูเสบ้างท่านเข้าแปลถวายวันหนึ่งแปลไปได้สักลานกว่าผู้กำกับการสอบไล่ถือพัดยศเข้ามาท่านก็เลยม้วนหนังสือถวายกราบลามาข้างนอกพระราชวังใครถามว่าได้รับแล้วหรือขอรับคุณมหาท่านรับคาว่าได้แล้วจ้ะ ปีฉลูเอกศกพุทธศักราช 2,372 ทูลกระหม่อมองค์ใหญ่ไม่สําราญพระฮารุไทยในวัดมหาธาตุจึงทรงกลับมาประทับณพระตาหนักเดิมวัดสมรายมารดาถึงแก่กรรมในปีนี้พระมหาโตมีอายุ54ปี พรรษา32ยังอยู่วัดมห า, าธาตุมีผู้บอกข่าวว่าโยมผู้หญิงอยู่ทางเหนือป่วยหนักท่านขี่เรือเสาขึ้นไปพร้อมกับนำเรือสีไปด้วยเพื่อจะพายอวดโยมของท่านแต่โยมก็ถึงแก่อานิจกรรมเสียก่อนท่านทำชาปนกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงแบ่งทรัพย์มรดกของโยมแกบ่บรรดาญาติและลันลานทั่วกันที่ยังเหลือเป็นเงินทองก็นามาถึงอเาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองนาที่วัดคุณอินประมูลท่านก็เอารัพย์นั้นออกสร้างพระนอนไว้มีลักษณะงดงามองค์หนึ่งยาวมากสร้างอยู่หลายปีจึงสำเร็จตอนนั้นท่านก็เป็นพระสงบมีจิตแน่วแน่แนต่อยานนคติมีวิธีจิตแน่วไปในโลกุตรภูมิไม่ฟุง้งซ่านโออาเจียมตัวเจียมตนเทศได้ปัจจัยมาสร้างพระนอนนั้นจนหมด ท่านทำซอมซ่อเงียบสงบปากเสียงมา25ปีตลอดรัชสมัยของแผ่นดินพระนางกล้าวเจ้าอยู่หัว